1. ขันห้าเป็นภาระใจเราไปยึดถือเอาขันห้าเข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบกเอาไว้ห้ามก็ไม่ได้เราก็ค่อยรู้ไปนะวันที่เขาคลายออกจริงๆหมายถึงวันที่จะจบกิจในาศาสนาพุทธแล้วตัวที่เลิกเกาะห้าตัวนี้มันจะทิ้งไปก่อนสี่ตัวแรกทั้งกายเวทนาสัญญาสังขารทิ้งไปก่อนเหลือใจอันเดียวเสร็จแล้วมันจะย้อนมายึดใจเอาไว้อันเดียวไม่ปล่อย ถ้าปล่อยใจได้ก็สบายมีความสุขล้วนๆเลยการที่ใจเราต้องไปแบกไปยึดเป็นภาระรู้สึกไหมปล่อยไม่ได้ด้วยปล่อยไม่ได้หรอกเป็นภาระเป็นทุกข์ท่านจึงบอกว่าขันห้าเป็นภาระพอไปเกาะเอาไว้ก็หนักของอะไรนะถึงตัวมันจะหนักถ้าเราไม่ได้ถือก็ไม่หนักอย่างกระติกนี่ไม่หนักแต่ถือนานๆก็เมื่อยถ้าไม่ถือมันจะหนักแค่ไหนก็ไม่เมื่อยใจเราไปเกาะแล้วก็ทุกข์ ก็ต้องทุกต่อไปจนฉลาดเราจะค่อยๆสะสมความฉลาดไปเรื่อยสุดท้ายพอเข้าใจแจ่มแจ้งว่าจิตนี้ก็เป็นตัวทุกขนะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็จะวางพอวางแล้วก็พ้นทุก์